ไม่มีต่อนะปัจตุบันนี้เขาก็ลังพยายามรวบรวมเงินให้ได้พอได้เจ็ดสบเหรียญเนาะ่อมาเป็นสองสองพันเหรียญครั้งนี้ก็ยังไม่พอก็อยังไม่ทอนะนข้ามไปเท่ไหรสองหมือนห้าพันจมือนห้าพันเหรียญนี้ได้ผลจบใหม่ขึ้นมาเห็น้า ไม่จะเด็กาะโอ้ขอมุงมั่นของเขาจริง ม, มากจริงอนนี้เขากระดังกระดังรวบรวมหาเงินจากที่ต่างๆออกกอะทัต บ, บ้านนะไปสถานีวิทยุบ้างหรือว่าไปตามโรงเรียน ต, ต่างๆบ้างไปพูดไปพูดถึงความฝันความปรารถนาที่เขาอยากจะได้บ่อ น, น้ำบาดาลที่อุกาได้ให้ได้ทตั้งแต่หกขวบนะ เจ็ดขวบก็ยังไม่ได้กระทั่งเนี่ยแปดขวบเนี่ยความฝันที่จะร่วมมืนอีกสองสองหมือนห้าพันเหรียญที่ซื้อหอนจอบนะจะสำเร็จที่เปล่าแล้วเราคอยดูนะคอยดูแบบไหนใจเราจะจอดตัวไปไหมตังเเกนะไหมหรือว่าเออตอนนี้จะไม่มาเราก็อยู่ของเราได้ ก, ก, ก, อกมมอ็อยู่กับการขีดมือกันฟ้องมืออยู่กับกรรมฐานของเราอถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้นะโอ้ไม่ได้ช้าินไฟซะหน่อยก็ไม่เห็นอป็นไรเลยเห็นไหมก็รอดูไปหรือดูไม่จบก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเหมือนกับดูโทรทัศ น, นะน์นะเอดูละครโอ้อยากจะดูตอนต่อไปจะย่าถายแต่เราต้องรอมันพรุ่งนี้ เน่เราไมต้องรอให้รอให้ได้พอยให้เป็นแบบนี้เนาะลองดูลองดูว่สิืนีั้ยให้เราดูหรือเปล่าเราก็ดูใจของเราด้วยนะชีวิตจริงมาเราก็เป็นแบบนี้เลยยอมนะบางทีเราไม่ได้ราบรียบสมบูรณ์ทั้งหมดแม้บางที ก็อุตส่าห์เที่ยวอย่างนี้ละแต่เทคโนโลยีมันก็ไม่สมบูรณนะ์เนาะชีวิตจริงเราบางทีเหนมาว่าดี่กว่านี้เนาะคิดว่าโอ้ยังมีครอบครัวควจะมีมแต่ความสุขแต่ต้องมีความทุกข์เข้ามาแทรกมากมายมปัญหาก็มามากมายใช่ไหมมันเป็นตัวผลทดสอบนะเหมือนกับไลายท่านที่จริงเขาคิดว่าโอ้แค่เก็บเงินเสร็ดสิบเหรียญนี่ก็คงไม่ยากเกินไป แต่เอาเข้าจริงๆเจ็ดสิบเหรียญก็ยังไม่พอต้องสองพันเหรียญ น, นะเรากฏว่าสองพัน 2, เหรียญก็ยังไม่พออีก้องเท่าไหร่ละสองมื่นห้าพันเหรียญ น, นะอ่าไม่เป็นไรน่แล้วก็อ่านแล้วก็อ่านต่อไปเดี๋ยวจะมีบทให้อ่านแล้วกัน เราก็เตรียมแผ่นสอไว้ให้อ่านใหม่ันกนั้ น, นเนี่ยปีนะหนึ่งเก้าเก้าแดนาะไหนอ่านเขาเขาบอกอ้ไปสัเทตเราธรระดาไม่เห็นคนตายจากการขาดน้ำดื่มแล้วก็อะไร แต่อแอฟริกาใต้เนาะคนตายจากเรื่องสุขอนามัยนี้มากมายเลยนะมากเป็นแบบไม่แต่เรื่องการคลอดลูกหรือ็บอกว่าประมาณเกือบ 90% ้าสิบเปอร์เซ็นตะตายในขณะที่คลอดลูกนี้เรื่องน้นดื่เนาะเขาก็คิดเส็จรวบรวมเงินตอนแรกก็เจ็บสิบเหรียญสี่เดือนทำได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้่มาเดือนนะทำอ่า เก็บทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดรอบสวนอาจจมาว่าพ่อแม่เขาตัวดีนะไม่ใช่ให้เงินลูกแค่เจ็ดสิบตันลาเฉยแต่เขาให้ลูกโรงแรงทํางานด้วยไม่ได้คิดว่าเขาขอเงินพ่อพอแล้วแต่พอเขาให้เข้าโรงแรงโรงแรงสี่เดือนนะได้เงินเจ็ดสิบตันล่าสองพันหนึ่งร้อยบาทตอนนั้นแต่ที่จริงนะมันก็ยังไม่พอ สองพันลน้านล่ามันก็ทำไปเรื่อยแต่ตอนนี้ก็มีันขออกอันคือทีมก็มีป็นพูดที่น่าที่นี่มีคนมาช่วยบ้างแต่ที่จริงก็ยังไม่พออีกเพราะว่าต้องรออะไรเนี่ยสิบเดือนนะเขาถึงจะได้สองพันล้าโอ้ทำแบบเต็มที่เลยนะแต่สุดท้ายความฝันเขาก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าต้องมีหมนเจอะ ประมาเริมหัวเจาะประมาณเท่าไรสองหมื่นห้าพันล้านบาทเกือ บ, 1, บ, น 7, บหนึ่งล้านบาทเจ็บแสนห้าห0ื่บาทายอันขณะที่ประชุมกับ เ, เรียกว่ารัฐบาลของประเทศอุกันดา น, นะก็ตอบตกลงทันทีเลยนะเด็กอายุเจ็ดขวบป่ยกับผู้ใหญ่แต่มีความมั่นใจเล็กน้อมากจะทำไม่ได้จนผู้ใหญ่เราตกใตงนะ ไม่ยอมแพ้นี่สิ่งที่เขาฝันถึงตอนนี้เขาก็เลยแบบออกว่กาความฝันความพัฒ น, นาของเขาเนี่ยมันแบบมุ่งมั่นกิงนะก็บินสื่อที่มีโทรทัศน์มีโรงเรียนต่างๆนะที่เชิญเขาไปพูดนะความฝันในการระดมเงินอีกสองมื่นห้าพันเหรียนะก็กำลังจะเป็นจริงละแล้วก็กรวบรวมได้สำเร็จนะ เขาก็สามารถเรียกว่าทําให้อีกน้ําประปาแะน้ําบาดาลที่อูรุกดานี่มีคนมาใช้มากมายโอ้ถ้าเราไปดูรูปนะจะเห็นรูปที่คนใช้น้ําบาดาลอย่างมีความสุขะคนใช้ไม่ใช่แต่เด็กนักเรียนนะผู้ใหญ่ไปใช้หมู่บ้านต่างๆนี่ใช้แล้วก็เขียนว่าขอบคุณนขอบคุณไรอั น, นถือว่าเป็นน้ําบาดาลของไรอันใไรอันนี่เขาว่า แต่เขาก็่ต้องคิดสินะคราวนี้เขาทําเขาหานงันไปให้ได้แล้วนะคราวนี้มันมีสิ่งที่เซอร์ฟไรส์เขาไดหนึ่งเราเห็นในหนันเนาะจะมีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแต่ก่อนนี้จะคิดว่าคอยไปดูคอยแต จ, จะจับผิดจับผิดนะแต่เพื่อนบ้านสองคนนั้นที่เราเห็นเพื่อนบ้านของนายอั้นเห็นเด็กทํา ง, งานห่ะกเ้นเด็กอ่าเรียกว่าตั้งใจจริงมีวันหนึ่งวันคิดมากนะ ฟังชิดมากเพื่อนบ้านของวันนี้เขาให้ตัวเครื่องบินกับไรอันไรอันแบบมู้งซึ้งมากนะซึ้งแบบเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็สะสมผ ส, สมไม่จากบัตรเครดิยู่เนะแล้วก็ซื้อตัวเครื่องบินไปอูรุเนด้านให้กับไรอันแลบวก็พ่อเพื่อที่อยากจะให้ไรอันไปดูว่าผลงานที่เขาทําจริงนะ่ะไปที่อูรุนด้านเป็นแบบไหน ไปอันนี้ซึ้งในน้ําใจของเพื่อนบ้านมากเขาก็เลยได้มีโอกาสไปที่อูกันดาไปดูไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมชมอ่าสถานที่ที่เขาได้ทํำที่เขาได้บริจาคเงินแต่เขานะหัวใจของเขาตอนแรกเขาคิดว่าจะทําแค่บ่อเดียวแต่พอทํานจริงเนี่ยเขาได้บ่อน้ำถึงสามสิบแห่งในแอฟริกาอ่าได้บ่อน้ำตั้งมาสามสิบแห่งนะแล้วก็งานที่จริง เขาไม่ได้แค่นั้นเขาจะมีความฝันอีกหลายๆอย่างเช่นมีเด็จที่แอฟริกาบางคนน ะ, ะน เ, นเนี่ยเคนวินเควินเขาเขาอยากเรียนอยากจะเรียนหนังสือที่อ่าแคนาดาอ่ไรอันก็เกิดความฝันเออไม่ใช่จิมมี่จิมมี่เป็นรักของไรอันครับจิมมี่อยากเป็นนักข่ า, าวอยากจะไปเรียนต่อที่แคนาดาไรอันกลับมาที่ประเทศก็แล้วลงทุน อาทุนการศึกษาให้กับคิมมี่ให้กขาได้มาเห็นต่อที่ดีนะ<อ>ก็ได้จริงๆเนาะอันเนี้ยก็คือเป็นเป็นที่มาเนาะเป็นที่มาของของเรื่องราวของตัวอย่างชีวิตที่ดีงามตัวนี้ให้เราได้เห็วนว่าเนะออไม่ใช่เด็กคนหนึ่งนะ<อ>เขามีความพัฒนาที่ดีงามกับโรคใบนี้นะแล้วเขาก็ไม่ใช่แค่นั่งคิดนอนคิดนะ แต่เขาก็ยางทําในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันเป็นจริงได้นะไอ้มาก็เอามาให้พวกเราดูนะว่าอใส่อันนี้กับเรานี่มีอะไรแตกต่างกันบ้างใส่ันก็อาจจะเท่าหนูน้อยเจอเล็กเยอะน้อหกขวบเจ็ดขวบนะอาขวบเจ็ดขวบใช่ไหมแต่เขาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เน้อมันเกิดจากอะไรนั้นยมเกิดจากอะไร แต่จากอะไรความที่เขามุ่งมั่นทาจริงใช่ไหมฮะมุ่งมั่นทาจริงจริงจริงจังฮนะของชีนะ่ยเขคนมีความตั้งใจจริงเนาะแต่พอเจออุปสรรคนี่จะยอมแพ้ใช่ไหมเจออุปสรรค ม, มุดโอ้แต่ไปช่วยก็จริง ม, มาที่ว่าคงมีเด็กหลายคนที่พอได้ยินครูประกาศว่าถ้าเรามีเงินเจ็ดสิบเหียญเนี่ยจะช่วยให้กับแอฟริกามีบ่อดน้ําได้ อาจจมาคิดว่าสายคนคงไปขอพ่อขอแม่แล้วแหะเจ็ดสิบเหรียญแต่พอขอพ่อขอแม่แล้วไม่ได้ยอมแพ้ไม่ทําต่อแต่หลาอันเขาไม่ยอมแพ้หนึ่งใช่ไหมก็ทำจนสําเร็จได้หรือมาเจออีกสองหมื่นสองพันเหรียญเจอ้อีกสองหมืน่นห้าพันเหรียญกึคือเขาก็อมายอมแพนะ้มาว่าเนี่ยหัวใจที่สําคัญนะไม่ใช่ว่าเรามีเป้าหมายที่ดีเท่านั้น แต่เราไม่ยอมแพ้ก็าะจะถึงเป้าหมายตรงนั้นเนา ะ, ะเดี๋ยวจะมาให้ดูอะไรนิดนึงถ้ามันดูได้เนาะดูเป็นการผ่อนคลายให้เห็นว่าลัค ก, กี้เตะบางทีบางคนก็ จ, จะมีจีวิตแบบนี้ก็ได้นะแต่บางคนอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้นะ oh, I'm This is my lucky day. I'm o n g over. I'm glad. All นอกจากได้ความสนุกแล้วเป็นไงแต่คนใจญ่นะคนคนใหจะรักที้โชคดีแบบนี้ไห ม, มไม่ค่อยนาะโอกาสยากมากที่แบบนี้แต่ก็มีบ้าง น, นะบางทีจะโชคดีแบบนั้นบ้างแต่คนที่ไม่โชคดีอยูน่นี้มียแยอะแยะใช่ไห ม, มจะเห็นฮนะบางคนจำได้ไหมเหมือ่อเกอ ด, ดก่อนใช่ไหมสึนามิที่ญี่ปุ่น นอนจะกับว้านดีๆก็บ้านลอยไปตามน้ำใช่ไหมตายไปเท่าไหร่เป็นมื่นใช่อืมตอนนี้เรี่ะต้องทนทุกกับอากาศที่โดนดังสีนะจำนะดังสีนิวเคลียร์ทำไมเห็นแบบนี้นะบางทีก็ตลกหรอกแต่บางทีเราก็ตลกไม่ออกบางทีเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้โชคดีแบบนีจริงๆในนั้น เหมือนกับหลายคนนะบางทีอย่างในสายเราก็เทียนบางทีก็จะเปิดทให้เราดูอาจารย์กับคนทองบุณนุ่มเคยนด้ยินชื่อไห ม, มเขาเป็นคนวิชาทีา่วันนั้นอ่ะก็เริกสอนนั่นแหละแต่ไปช่วยอาจารย์อีกคนหนึ่งไปสอนกั็ว่ายน้ําคือตัวเองไม่ได้สอนวิชาว่ายน้ำตัวเองสอนวิชาวัดไม้บอลสอนวิชาทุาบ่บอลอแต่ตัวเองก็ว่ายน้ําเก่งเพราะเป็นลูกลูบชาวเรือก็คือว่าแต่ก่อนบ้าน อยู่อ่าไม่ว่าแม่น้บเจ้าพยาแล้วก็บ้านอยู่บนเรือพอก็ล้องเรือพึ่งลงเจ้าพยาแต่ก่อนก็คือเกิดบนท้องเรือแล้วก็โตอสูในเรือว่ายน้ํานี่เป็นธรรมชาติน่าสบายมากพ่อไม่คิดว่าวันนั้นที่เคยกระโดดน้ําปกติธรรมดาเคยแพงก้อนนี้ก็ยังไม่เป็นไรละโดดน้ํามาก็คอสีสกระแทกพื้นกระแทกพื้นด้านล่างทําให้กระดด ก, ก็คอข้อที่ห้า อคล้ายๆมัานะก็เป็นอานพืชกระเพาะตอนนั้น ช, ชีวิตอพลิกผันเลยนะแต่ตอนนั้นเตรียมตัวแจกกาดงานบวชแล้วเสียกรารงานบวชกลับว่าบวชแล้วก็จะเรียมต่อนะก็จะแต่งงานต่อนะก็สุดท้ายก็บวชจะไม่บวชแฟนที่เคยคบกันก็ก็จากกันไปเนื่องจากเราเป็นคนพิการแล้วก็เกลียดว่ามันไม่ได้หรอกประมาณนั้นก็ เขาก็จากไปจะมีชีวิตที่พิการแต่ความพิการก็ไม่ใช่ทําให้เป็นความเสียหายในชีวิตทั้งหมดเนาะเพรายัางน้อยพอพิการแล้วทำให้ อ, อได้หันมาหาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วโอ้ทาให้ได้ธรรมะนะเป็นเครื่องต้นนันชีวิตด้วยธรรมะแบบนี้คืออะไรเห็นว่าความพิการเป็นเรื่องแต่ของกาย อ, อพิการเป็นเรื่องของกายเฉย แต่ใจเราไม่จะเป็นคนพิการด้วยอาจารย์กําวลใจกับว่าลาออกจากความพิการอมีบัตรคนพิการเป็นปกติธรรมดานะเอาไวใ้ใช้โรงจจุบันง่ายแต่ลาออกก็คือจิตใจไม่คิดว่าจะเป็นคนพิการแล้วอืก็คือความพิการเป็นแต่เรื่องของกายแต่ใจไม่พิการเราจะมาลาออกจากความเป็นคนแก่ได้ไหมลาออกจากความเป็นคนเจ็บได้ไหมลาออกได้ไหม เจ็บขารับออกจากความนคนเสียบได้ไหมอืรับออกจากความคนมมมออ ค, ม ค, มคนแก่รับออกจากความเป่นคนมีปัญหาชีวิตได้หรือเปล่าอันมาคิดว่าน่าจะทำได้นะลองทาดูให้ความแก่เป็นเรื่องของกายให้ความเจ็บเป็นเรื่องของกายให้ปัญหาชีวิตเป็นเรื่องภายนอกแต่ใจเราแยกแยะได้ว่า ปัญหากับความทุกข์ไม่จำเป็นต้องมาร่วมกันเข้าใจไหมปัญหาสุขภาพาปัญหาภ า, ายนอกการงานครอบครัวให้เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราแยกได้อ๋อปัญหาเป็นต่างหาความทุกข์เป็นต่างหาปัญหาเป็นสิ่งภายนอกเป็นปัจจัยภายนอกแต่ความทุกข์เป็นเรื่องของภายในเท่านั้นดีถ้าโยมปฏิบัติแบบนี้ได้นะโยมจะแยกได้เลยนะแยกความทุกข์ออกจากปัญหาคนทุกคนในโลกนี้มีปัญหาเสมอโยม แม้แต่พระพุทธเจ้าก็มีปัญหาความไม่สบายเจอหน้าต้องตายไปพุทธเจ้ามีปัญหามากกว่าเรานะถ้าสมมติเราคิดว่าคนอื่นไม่เข้าใจเราคนอื่นหลาเราคนอื่นทําร้ายเราพระพุทธเจ้าเจอมามากกว่าเราหรือกี่เท่าอนะ่มีบางคนจ้างจ้างคนประดาพระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนก็มีใช่ไหมบางคนนะจ้างให้มายิงสนูนะทาร้ายพระพุทธเจ้าจ้างให้ไปเรียกว่า เอาหินกิ้งลงมาทำร้ า, ายพระพุทธเจ้าจ้างที่ปล่อยช้างที่ตกมันมาทำร้ า, ายพระพุทธเจ้าโอ้มากมายมหาศาลเราไปยเจอขนาดนั้นไหมยังไม่เคยเนาะนี่นทังนั้นบางทีเราไปคิดว่าทำไมคนดีขนาดนี้ทวาดีขนาดนี้ยังโดนคนไม่เข้าใจอยู่โดนคนทำร้ า, ายเท่านั้นอย่าไคิดเฉยเฉยเพราะว่าแม้แต่พุทธเจ้าท่านดีขนาดไหนท่านสำเร็จขนาดนี้นท่าก็ยังเจอใช่ไหม บางทีคนไมีคิดว่าทําไมเราทําดีแล้วต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติเลยนะอ่ะ า, อาจจะเป็นกรรมเก่าอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เห็นว่าเป็นธรรมชาติเพราะแม้แต่ทุกเพราะทุกคนก็ต้องเจอนะพอเราทําใจแบบนี้ได้อ๋ออันนี้เป็นแค่เรื่องปัญหาภายนอกแต่เราไม่จําเป็นต้องทุกข์ใจกับปัญหาที่เกิดจากกันคนอื่นเ ข, า ด, า, ขาด่าคนอื่นเขานินทาคนอื่นเขาทําร้ายหรือ ปัญหาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บของกายเองใช่ไหมอ๋อเราออกแาบตรง น, นี้ได้ให้เห็นว่าปัญหาเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ความทุกข์ใจนะนะตรง น, นี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้เนาะส ต, ติส ต, ติและปัญญาเี่ยจะช่วยพวกเราตรงนี้ได้นะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้นะปัญหาบางทีอาจจะแก้ไม่ได้เด็ดขาดแต่ความทุกข์ใจเราสามารถแก้ได้เด็ดขาดเหมือนอย่างที่พูดในคำว่าอาจารย์สมพลเนี่ย ลาออกจากความพิการได้อาจารยไม่เชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถลราออกจากความเก็บไข้ที่ป่วยของตายได้นะวันนี้เราอาจจะยังไม่เจ็บมากนะแต่สักวันึเราอาจะเก็บมากแบบนี้เราก็ต้องฝึกไว้เพื่อที่จะลาออกจากความทุกขนะ์บางครั้งปวดท้องบางครั้งปวดหัวบางคนอาจจะต้องเป็นมะเด็งนะอันจะไม่ไม่แค่นะแต่ไม่แน่นะเปอร์เซ็นต์คนส่วใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นมาก อสุดท้ายเราก็ต้องจา่ายตายจากเรื่องนี้ไปเราจะทำเชียร์ยังถ้าเราไม่ฝึกก่อนใช่ไห ม, มหรือไม่ต้องหรือแค่นั้นเราแค่มีคนยินคามีคนว่าร้ายหรือขับรถไปติบไฟแดงนจนเขาแตกปากหน้านี้ก็หุดหงิดเสียใจแล้วในชะ่ไหมหุดหงิดโมโ ห, โหแล้วเนะนี่ยก็เนี่ยความทุกข์ใจเกิดขึ้นได้ทุกวันนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ฝึกใจนะมันจะกกจาแค่เรื่องเล็กน้อยจะกลายเป็นความทุกนะข์กลายเป็นความโม โ, มโหนะ หรือบางทีความประมาทในชีวิตแค่เดียวเนาะขับก็ไปประมาทรถคว่ำตายไปไม่ทันได้ทําอะไรเสียชีวิตแล้วก็มีหรืองทีเราไม่ประมาทเราไม่ประมาทเดินอยู่ดีๆสินะ่งของตกมาจากข้างบนทับหัวเราตายก็มีใช่ไห ม, มบางคนอยู่ดีๆนะทานเข้าไปเออข้าวลงไปในกลอง เ, อเรียกว่าหลอดลมนะ ตายก็มีอหายใจไม่ออกนั่นเป็นสิ่งที่เรีวยกว่าบางทีชีวิตเราก็ต้องให้ะมาธนการใช้ชีวิตเนาะให้เห็นว่าชีวิตนี้มันเป็นสิ่งที่อ่าเราไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันตายของเราแต่เราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแหละนะอาตมาก็ก็ะเสื่อมาแต่งฟันให้พวกเราได้ดูให้ได้คิดบ้างไม่ต้องไปคิดมากนะคิดนิดหน่อยให้ดูแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนแใจเราว่า แต่จะมีชีวิตในทางแบบไหนอย่างหนึ่งนักที่แนะนําก็ชีวิตที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเช่นอะไรอ่ะอะไรนั่นนะ <c oughs> ก็ทำให้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าที่จริงไม่ตแต่ติดเล็ได้เขาอย่างทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อันนี้เรียกว่าเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะเป็นบัก น, นะแต่จริงเขาก็ได้ประโยชน์ของเขาไปด้วยนะแหละแล้วอยาก่างชีวิตที่เป็นประโยชน์กับตันเองด้วยนะก็คือว่า ทำอย่างไรเราถึงจะพัฒนาจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้อาณาบริเวณนะี่จะเส ร, ริมพวกเราหรือว่าย้ำพวกเราว่าชีวิตที่ดีประโยชน์ก็คือชีวิตที่พบกับความสงบเย็เนกับจิตใจของเราเองแล้วก็เป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นกับสังคมด้วยดังนั้นนะนักปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเนาะไม่ใช่การที่เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วหลีกหนี่ลีเล้นยินดาปลามเขาทํานั้น แต่เราต้องพร้อมที่จะอยู่กับโรคใบนี้ให้ได้ทําทําความสงบเย็นในจิตใจของเราแล้วก็ทําประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะคือเป็นนักปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราถ้าไม่ใช่ตัตดสรู้แล้วท่านหนีไปคนเดียวไม่ใช่ตัดสรู้แล้วกลับมาสอนคนอื่นก็บอกคนอื่นแ ม, ม้จะมีคนทําร้ายท่านก็ไม่ไหนีไม่ได้ทอ้อไม่ได้ถอยอยังบอกยังสอนจนทั้งแม้แต่วันสุดท้ายที่ต้องตายไปนะ วันที่พรนนนะพเจ้านนปิณิพานนอนนะพระอนุปูสังคติภูจีวรให้พระเจ้านอนนะพระเจ้าก็นอนไปมีเรียกว่าสุภัททะปฤณิพายชคปฤณิพายชกไปไหว้ น, ว น, ว น, นักบวชนอกศาสนาที่สุภัททะอุตสาตั้งร่นมาได้ี่เขา่วเาวพระเจ้าจากริณิพานอยู่ใต้ต้นอ่ยู่ใต้ต้นนาดังคู่ที่หมุ่มกุศินาระก็สาเดินทางมา อก็มีคนกีดกันไม่ให้เข้าพบพระพุทเจ้าพระเจ้าได้ยินรู้ว่าสุภัททะต้องการมาพบเราจริงๆก็อนนนบอกให้สุภัททะมาเถอะเขาไม่ต้องกวนเราหรอกะสุภัททะก็มามาก็มาถามตอนแรกก็ถานคําถามที่พระเจ้าบอกไม่ควรจะถามมาถามว่าอะไรอุตส่าเดินทางไกลมาถามว่าทําไมครูทั้งหกเนี่ยครูท่องหก ในชนงูจะบีสอนยังนั่นตอนยงนี้สอนนี้สอนยังนี้คนไหนสอนถูกคนไหนสอนผิดพระเจ้าทั้งทีเลยนะอย่ไปดูว่าคนหนึ่งสอนถูกหรือสอนผิดเอาอย่างนี้เธอลองฟังเราแล้วเธอก็ตัดสินเอาว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันเป็นความจทุงถุกได้จริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็สอนพกะพุทะก็ไปยชมสอนว่ายังไง ก็สอนเรื่ออริยสัจสี่นี่ยแหละนะให้เห็นความจริงของกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากปัญหาความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนี้เนี่ยเป็นตัวทุกข์วิธีจะดับความทุกข์ได้ก็ต้องเจริญชนีมักมีองค์แต่เนี่ยแหละจะดับความทุกข์ได้คือพัฒนะเ็นฝั่งแล้วก็จะเป็นกวีนั้นก็เป็นพระอรหันต์นดีเอนกันคือพระเจ้าชี้ว่าอย่าไปเอาถูกเขาผิดกับคนอื่นนะ ให้มาดูอาู่ก็ิเอาสอนตัวเอ ง, องเนี่แหละเี่หลักคือาก็ได้เป็นพระเวพระตะขันอบสุดท้ายในสมัยพุทธกาลแต่ไม่ใช่พระด่าอมสุดท้ายนะนอ่าแค่เฉพาะสมัยพุทธกาลเท่านั้นแต่ต่อมาก็มีพระหันรู้ัำต่อมาปีเรื่อยเหมือนกันเนาะอ้าก็คือเร า, าเรีนว่าพระพุทธเจ้านะเขาเป็นบนุรุครูผู้จริงใจสอนธรรมะตั้งแต่ตัศรูจนถึงสตรีิพานที่มาาีศั พรรษาหรือห้าปีนั้นไม่ไม่ท้อแท้นะพวกเราก็เหมือนกันนะพวกเราก็ถึงผู้ที่สืบทอดประสาทนาได้ทุกคนก็อยา่างพวกเราได้ตั้งใจภาวนาทําตัวทำใจเราให้เป็นพุทธจะได้เป็นเทื่องสุยแผ่ธรรมะนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าพระคือผู้าสอนธรรนะอย่ายงโยมทกคนแหละเป็คนสอนธรรมะด้วยนะสอนแบบไหนทําให้รูปปานได้ดูนะอยู่ให้เขาได้เห็นเย็นให้เขาได้สัมผัส โ อ, อ, อ้ว่าพ่อว่าแม่ว่าเพียอนว่าพี่ว่าน้องก็ลูกของเรานี่พอปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขความเย็นสบายใจมากขึ้น อ, อันนี้เป็นตัวสอนธรรมะที่ดีที่สุนนะไม่ใช่เป็นการไปเทศอ่างทีกลับไปเทศคนนั้นถูกทำปูกขาที่ทำชิดด่าว่าเขาอันนี้ไม่ใช่การสอนนะทําให้ดูอยู่ให้เห็นจริงให้สัมผัสในการสอนทำที่ทดีดีนะอกนะ็ ข, ขพูในฝังไว้นะ แล้มาก็ให้พวกเราปฏิบัติกันสอนเนาะให้ปฏิบัติกันบ้าง น, นะจะได้เสริมทูนนะเพิ่มทูนความเข้าใจหลังการที่เส้นฟังกันมาพันคู่จะได้ย่อยเกิดเป็นค่าปฏิบัตินะครับพวกเรานั่งกันตอนควรวก็เดี๋ยวเล่นจงกรมกันนะเนาะเล่นจงกรมกันเหมือนตอนเช้านะลุกขึ้นตั้งแถวกันนะที่ที่ดันกล่าว <c oughs> Ừ, ตั้งแถวเลยเป็นกลมกันเนาะแต่ครนี้เราต้องตั้งกับนครนี้เดี๋ยวเอาเป็นผู้เก่าเป็นหลักก็ไดนนะผู้เก่าเป็นหลักสักตัวมาสักสิบห้าคนก็ได้ เปิดประตูด้านนี้ออกไปด้านหลังนี้มีที่เดินยังลมสําหรับผู้ที่เคยฝึกมาแล้วนะด้านหลังเนาะตอนนี้ยพระอาจารย์ตุ้มพาไปอหรือไม่เก่าก็ได้แต่ไปสักประมาณสิบห้าคนก็พอเพราะว่ามีที่ให้เดินเนาะที่เหลือเราก็ทั้งแถวตรงนี้เอาโยมนะแต่พระอาจารย์ตุมพาเดินข้างนอกพระอาจารย์มาพาเดินข้างในตรงนี้นเนนอาโยมแถวด้านด้านนี้ก็ ตัดมาได้นี่ว่าให้แถวไม่ยาวเนาะให้แถวก็ประมาณสักจี่คนก็พอเป็นอย่างมากแถวเยวตรงนี้ตั้งให้แถวเึงนนะอรงนี้อีกแถวนึงตรงคุณผู้ชายเพื้อขาวชุดขาวนี่ก็ระบายตรงนี้ก็แถวนึงก็ได้ระบายสองแถวนี้เพิ่อีกแถวนึงได้แถวแล้วประมาณสามสี่คนเนาะแถวไหนเกินสี่คน มีสาวละสามคนนะมาด้านนี้ทนี้สาะสามคนเองอืมอืมนาะเดี๋ยวเราเดินจั่งกลงในในขอไปจุดตรงนี้แล้วกัะเชิญเลยนะอ่าเชิญเดินเลยเดินสบาย นะฮกลับตัวนะกลับแล้วรอเพื่อนเราก็ย้ำเท้ารอหรือว่าคึงิ้ว ร, รอก็ได้เด mm hmm. ิรอเราใจใจไม่รอไปที่อื่นเดิ mm hmm. นไหนๆคนทำคนรู้สึกเหมว่าเราเดินอยู่คนเดียวเลยนะคนาะคนอม่นจะเดินยังไงยังเราก็ไม่เป็นไรเราสนใจที่การเดินของอเราเอง อาจจะเห็นอาจจะเห็นคนอื่นแต่ไม่ที่เอาถูกประคิดกับคนอื่นนะกลับมาดูตัวเองดูว่าตอนนี้กายมันเคนไหวแบไหนดูรู้ทันใจว่าตอนนี้มันรู้สึกอย่างไรอนะย่างเอยี่คิดไปแลกลับมาเนาะกลับมาตั้งต้นเรามีปัจจุบันใหม่ๆเยอะ กขนาดเลยเผอไปแล้วไม่เป็นไรกลับมาที่ปัจจุบันได้ใหม่ทุกคับอย่าไปเอาความผิดในอดีตมามาย้ำผิดมาย้ำทุกข์ให้กับตัวเองเนาะเอาความเอาความหลงในเมื่อกี้มันเป็นตัวเสือให้เราไม่หลงไปต่อก็คือว่าอรู้เมื่อกี้มันหลงก็ตั้งใจเพิองทิ้ง มองสบายาให้เห็นทานเดินแต่ในสมดุล น, น, น, น, น, นะ้ทีนีเราเห็นนะหรือจรก็ไม่อย่าไปทำแบบทาาแบบเบอร์เบอร์มองสบาย๋เสร็จทีแปลว่าใจไม่ส่งไฟกับที่หรือหน้าต่อไปแล้วสลับมาวางตา ตลอดเลาไปนาน เดี๋ยวที่มูมักเดียวกัมที่กีรข้างก่อนเออสองด้าเดียวกับกีรข้างรู้สึกกีรข้างกีรข้างไปเนาะกีรไม่ใช่เรื่องสองสองยข้างค้องกันไม่ได้ข้าหน้ากีรกันแต่ถ้าเราลองทำกีรข้างกีรอยามันจะดีกว่าเพราะว่า จิตแจมจะเป็นสมาี่เป็นสติที่ดีกว่าพีครับสองอย่างพร้อมกันที่งทิง้พร้อมกันสองนั้นมันจะเรียกว่าแตกหรือว่าห่างความสนใจมัออกไปอันนี้กดีครับ จาก่องนึ่ดูเร็จเรือก็ให้เปนศึกษาของเราแต่ขอให้พยายารู้จักตัวใ้เยะดีไหมครัพไม่นมีราู้นะว่าเขาจะลงเองกันอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างไรก็ไม่่าันแต่ให้พกเราทครับของคราผมก็ตัวเนียเ็นตัวี่ เป็นรู้ว่าอาการเลยรู้สึกของกายนักรู้สึกผิดใจรู้สึกกัวเป็นสิ่งเดียวกันั่นนะรู้สึกดลัวรู้สึกว่าเรารู้ว่ากายจะมีแรงแค่นี้ทำอะไรรู้สึกเสียงไรเรารู้สึกัว ก็จาเลืนไหวต้องส่งแถวแต่ทตันยัที่ยู่ นะครับเราจะตองพัฒนาสมถานแต่แนวเพื่อสิ่งประทานสิการจะตางรู้ดีจะกขึ้นไบเลี้ยงปายต้นบนาเเป็นสิงแค่เป็นแค่ที่ว่าเป็นต้นอยู่แต่ไม่ได้ว่าจะต้องจดจอร้อยเปอร์เนต์นะไม่ใช่ต้องไมแค่บา่มีคิดต้นตอเราให้เกิดเสร็จให้ค่ากับการรู้ทาย ก็มาประมินประมาณประมาณ7 0เปอร์เซ็นตะมาณนั้นเต้นนะห้ 60-70 เปอร์เซ็นต์ให้มีมีพัยนามรู้ใจว่าเราเรื่อ0 0เอร์เซ็นแต่การแตดงแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นระดับครู้รู้แบบนแต่ถ้าอะไรมีเด่นในตอนนั้นเราดูว่าทายีเดนในตอนนี้ตัวรู้ทาย จิตใจเขาไมุรู้ที่ความเพื่นเสริมนี่เลยครับเราเป็นิคอยรู้จิที่ถูกการแบ่งโดยนีรส่อนในการปะหลัดในรูปแบบเรารู้ทายป็นครัรู้นามธรรมรู้จิตใจเรป็นมาตอแต่บางทีเราเป็นแค่ที่เพื่อนฟังทีบางทีการตามรู้ทายอาจจะใช้ไม่ได้มากนะก็ แอปแฝงนะครับการรู head, so ้จ <laughs> ิตมากกว่า <interf> ก <drink> ็ได้ให้เราสังเกตให้เราสังเกตตัวของเราเอ่นะไม่ใช่แต่ต้องรู้กายอย่างเดียวนเรียนรู้ทั้งมันขอเราก็คอยใจคายออกได้มันมีการรู้การเห็นเดี๋ยวกรู้กายเดีวรู้สิตอุประทำให้เมาฝกมาหรือว่าการได้ ก่อนนี่เดินไปกบบเป็นยังเงียบๆก็จะมันอารมณีกเรื่องแบบอารมณอความรักนไหมฮะใ้เป็อะไอยู่ที่นี่ได้เห็นความจรงในความรัเื่องนะปดุที่เรื่องเห่ือนคนล้ายรู้แบบจุดใส่ปลาจุดใส่ปาดี่มัจุดแบบอ่อนนุ่มออนน่อ่นไมใช่กบบขี้ยาวนะ ไม่ไดรู้หรอทั้แต่จะรู้ยาวขีดที่นตอนอแรจรู้แบจุดไค่ปามีภษาหรอกวาเก่งเท่ารู้แบบรูกโต้โต้ที่มันรู้เกากันไปเรื่แต่ไม่ได้รู้กับเ่งท่ากันแล้ก็เก่งเองลยนะรู้กับลูกโตโต่มีความรู้สึกมีความ ขอพาะแต่ละอกแต่ละปอกแต่ละอกแต่มันต่อเนื่องกันไปนั่นต่อเนื่องกันแบบอกของลูกโซ่แต่ไม่ได้ยาวแบบเส้นเส้นมาเขาใช้เหมือนกันรู้แบบจุดๆรู้แบบครั้งๆแต่ไม่ได้รู้แบบ็ได้ยาวร้เคลื่อนต้นหนึ่งดู้นหนึ่งคิดต้หนึ่งดู้นหนึ่งคิดต้นหนึ่งู้นหนึ่ง น, นี่เป็นการรู้แบบสิดจิตรู 9, ้แบบรู 9, ้โตร่อให้เส de prototipo. บเกือบตายไม่นอนประมาณคืนกว่าห่าเลือหายแต่จะแต่จะมองให้เป็นไงนะเกณุความขาดสติถ้าเดียวเสือบขาดที่เราไปไหนก็ไม่รู้ถ้าเราตายตอนั้นเราื่นแล้วใครไม่ดีแน่นอนเพราะใจกับความหลงหลงไปคิดยืนดิ้มตลอดก็สติทำพลาดสะพ่อสะแม่กับะไรต่างๆมาพสคุณนะ เราเห็นวาถ้าตอนไปตลอดอยู่ภูเขาเป็นสถานเดชานี่ก็เห็นนะคุณค่าของจิตคุณค่าของการมีสตินะถ้าเราเป็นสติตอนนั้นสตอจะไม่จะโตกับเอะเลยนะเราเราก็เจอเจอเหตุการณ์นี้มาหลายครั้งก็ขับเขับของบางทีได้แต่พอขัดนีสั่เดียวถ้าไม่เราผ่านไปทำความสะอาดอ่าต้องนอนโรงพยา ตงรักษาอยู่ตั้งนานแต่มันมีถือว่าเโชคดีนะที่ไม่าตาย <S <S แต่หลายคนมาจจะติดไปแล้วตายในเรืองื่งนช่หเลี้ยงๆเราเห็นในโลกคุณค่าของ ก, การมีชีวิตเราเห็นีุณ่าของชีวิตอนเราแค่จะตายแต่ับเสียเกียรตตายแต่มาเสียหลายคนรวมไเสียทิศการเสียเกียรติเสียตายมาตัวๆวนอไม่เห็นคุณค่าของ ก, การมีชีวิต ประโยชนที่เราได้คือท่าทางาชีวิตเนาะแม้บางคนอาจยังไม่เเรียนแต่ดดว่าชีวิตที่ยังไม่ตานในอชีวิตที่โชีที่สดเพราะว่าชีวิตที่ได้เจมนุษย์ไมนมีอะไรว่าโรคับต่งราคไม่มีโอาเที่ความทำไม่ยอมขาดบันกทนชีวิตที่มีค่าเจาได้ใน้ค่านี้แช้เสรีอุปการความดี ในการดจันี้พัฒนาจิตใจให้ถึงผไ่ได้แม้าหมายขีมืีนหรืจ้ากอาก็หมายถึงการทำกำไรก็หมายถงการกิจใ้ถองความิตก็หมายในตัวหนึ่งก็เป็นแค่ก็หมายรองนะจีนยังมีคลอเพื่อจะใช้ใสยเพื่อจะเดินมชีวิตก็เป็นแค่ก็หมายรองเ่นั้น ไรหนะพองหรือข่าวหรืออะไรมันใช้ได้จริงนะใช้ได้จรงอย่างอยู่ที่วัดนะเดินถ้าเราเป็นจิไม่ตกใจเราต้องมีจิตแนการดูการคอยหรือการจีบที่เฉยเนะ เขาจเดินมาข้างในนะข้หน้า เวลาจะทำในแบบรู้ตัวบรู้สึกเห็ตรนี้ันจะเป็นงแอนด์ทำรู้สึกตัวการู้เคลื่อนจะเป็นเทกรสำคัญออกมาจะเป็นความคอานึกอยนนี้รูปแบบว่านับรูปแบบว่าในงานที่เป็นความคอนึกตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทาให้ การภาวนาที à, à, đó, à, ่คนให้นเป็นจริงแล้วการาวนาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะสุภาษอะไรก็ส่วนใหญ่จะเคยยินดีเสมอเว่าในตรงนั้นแล้วไม่เห็นดีเลยนี่นก็ไม่เห็นดีอันรู้สกตดีต่ออ่ จะทำใมีการดำเิได <épisode> ่กต <Laden> ื่นเต้นเนี่ยเออที่เปล่าการเคล่นไหวเน่ยรจายครู้คเลื่อไกายควารู้ตรงนี้ไม่มีสิ่งที่เกีองถ้าเรามีจิ๊แจก่อนี้เนี่มันจะทำใการขายที่เกดขึ้นขอผมของคาร์าแน่น่า ด็กช่ if, uh คอวามหลในขอนะควากในใจี่ะเที่ยรวบรวมก็คือว่าการจิตมนไปหลงไปหลงไหลงในนความทุกนหะแต่ทุกเกิดจากสารพษอ่าไม่เช่นตัวตัวพิที่ไม่คอใจอย่มดหรือบางทีเป็นโรคที่ได้ว่าเป็นยโรคที่อยู่ในน้งระคับเช่นความรักความโกรอคโลความหลงใช่ไที่มัังอยู่ในจิตใจพอเราเห็นนะใจจติดคือับ โกของงานี้ออกไปหรือออกได้แต่เเป็นตระกูลตระกูลของทีเด็ดทีามก็นือสับหรณนะ้างเอาขนมาในท้าสุดโรคโวดหลงเกียรก็อยู่ในตระกูลของความโกรธนะนั่นคือทีมีามตะกูลนะแต่รูปแตกหลาไปแต่เราตั้งมาตั้งลานกลัวนะวดมันอยู่ในอรของ มันก็โผล่ข า, า น, นะกัวกัวนี่แนวของของคำโอดด้วยแล้วก็ความหลงด้วยแต่มันจะอยู่ที่ความหลงซะมากกว่าแต่มันกินกลัวแล้วกัวกับสู้ตรงนี้นะกลัวแล้วตู้มรีมันกลัวแล้วหีก็หนีแต่รากมันจิมันเกิดความหลงในการที่ติดสนสิทกับของบนวิตกกวนเจอไปทิ่งมืึกลัวนี จีตมันหลไปจากปจัจบันแต่บาีมันยินเสือได้ตัวขาดก็ได้คือให้เห็นหน้าตาคันนี่ปนไปไปในรัศมีนั้ น, นก็มันก็คือทำให้เราหล ง, ง, งออกจากปัจจุบันหลงออกากความีปกติมีจิตเพระเหตุฉะนั้นที่เห็นว่าเนี่ยโรคของลูกหรโรคของนางเป็นแบบนี้โรคของรูปนีรักษาได้ บาโรโรคบางยางรักษาได้โรคอย่างรักษาไม่ได้แต่โรคขอนารักษาได้เด็ดขาดถ้าเรามีสมรรนะเขาคือโรคของาก็หมายว่าอาการอกคือ่ท่จิตปกติไปแม้แต่ความโง่ความเสรอะไรถ้าเรา เขาเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์จากอารมที่เป็นยาบาลกลายเป็นอารที่สีเมตานจะนีเปลี่ยนเป็นปวนไม้ับให้ผีไปเกิดจรดงหรอกสูตรของพวกท่านธรรมโสดสังเกตเปลี่ยนถึงที่ท่านทำแบบวพวกในหมก่บีเพือยอเปลี่ยนไปทำเป็นที่เป็นคุณ้างีี่ว่าบ้านโบบ้านตุนน้ำต้นไมอะไรนะงนีระดับในการ อันนี้มาแตะตาอีกนะก็คือว่าถ้าดีที่สุดนะับมามีสตินะครับรู้ึตัวถ้าทําไม่ได้ลองมาก็กลับมาหาสมาธิสมาธิในรูปแบบอย่างใดได้ดมไสมนนได้ครับหรือการทำสมาธิในรูปแบบแบบนี้ก็ได้หรือเอาธรรที่ผู้ปรับตรงนั้นมาแก้เช่นโทตานเอาเนืสามาแก่อ่าโมหะตองหลงลงในรูปลงในรูป เอาสุภาพมาแก้นะ่คนนะเอาสิ่งที่เป็นคำพูกระดับแคร์หรือบางทีก็เปลี่ยนเป็นอยู่ในทางที่เรียกว่าเป็นกำแพงเช่นเปิดเปิดมาไม่ค่ะเป็นเทุกข์ทารุณผสมเป็นสาธาะแก้ได้แต่ถ้าสื่อสาตนี <saber> birthday, ้ไม่ไหวจริงก็เอาไปทำคุณงามความดีนะทำดุลจับวาหรือว่าทาเสื่อเสื่อคนอื่นเนี ปวดแย่เก <VA> ียร์ระโไม่ติดหมุนกระโดดนะแต่ทงานเชื่อว่านะพอเราเราเกยร์กรโดดไปหยุดกกระโดดติด่ติแ้วก็แฉกตองพายามลองแย่ดูแล้ว่โกรธนะก็เกียร์ระโดดบกสนมาได้ไหมแขกี่ดูความปวดนอยู่ที่ข่าวมั่อยู่ตรไม่ต้องมีติตามรู้ายเริ่มเริ่มระดับดรู้ตายไหนรู้ายไหนรู้ตายไหนปวดขึ้นมาอีกแล้ว ขับมทาเนี 3, ่ยมันก็พ like, so อกระรังไปเอนะาทีเหมือนเราอารมณ์อย่างเหมือนเหมือนเราขับเขาเจอร็วจะเบรกทีเดียวเทียกเดียวไม่ได้ต้องเรกุบก็คอยในแล้วก็เกรใหเกไหมเบกไหม่ยกกันทีเดียวไม่ได้นะต้องเร่ยและเรแผละเรื่เรื่อเรื่อตองทีควาเสียใ้ว่างทรู้ึกัวมีสติเหนือยครับ เราที่กระสอบตายลงสันเขื่อนเกาเป็นทองฝ้าเขาเรียกอะ้รเรียกเที่ยคิดกระสอบตายลงเรื่อยๆกระสอบตายที่มันโดนงนน้ำมันก็ไม่หายู่ไหนนะมันก็ไปลอยไปนะที่คิดตัดสิคิดต้องตัวไปเรเ่อยๆเดี๋ยวมันก็เต็มมันก็เรียว่าขั้งขั้นความหลได้นะเดี๋ยคิดว่าไอ้ที่เราคิดติดหิรูัวแล้วมันไม่เห็นเส้ผลที่จริงมันได้ยู่นะะ แต่นั่นจะรอแต่นั่นเัรกไปบ้านแต่างทีถ้าเข้าในตอนทาดไม่นดก็จะเกิดขึ้นมาอีกหรือบางทีของมที่เราไปกินเนี่ยมันทให้เรากับไปคิดอีกแลกไดอแล้วเราจะ้ใหม่ในสุขาอนกันนะแต่คิดว่ามันกลกกับมาได้เราก็กลับมาได้เหมือนกะัให้เกษตรกรที่ขขนแีแต่นี่สำคัญนะเปวนเด็กคนเด็กเด็กทุกข้าวทุปกปลตรงนี้ ลูกศิษยที่ว่าไปทำหนี้ไปหนี้เรื่อีไม่หาหลงัวเองไม่น่าโกรธเลยไปทำหนี้ตองยู่ไปทัวเองว่าเราปฏิบไม่ด้เรื่องนะไความรูดที่มันเปเพิ่มพลุคับคนที่เม่รู้จกัิบัติเองนี่แหละที่จริงในตัวความโกรธความหลงนันก็เป็นความรู้สียงนะแฉที่เอามาทัหนตัวเองเอเราไม่เรื่องเรไม่มีไม่น่าเลยว่าเขาเลยไม่นาจะทได้ก็เลยเงี้ยเรา่หกข้ไปใอย่างเี้ยเาต้องรู้ทันตัวมันนะ ถ้าเรารู้ทนตรนี้แล้วเราก็จะไม่โคตรกับอื่นแต่ไม่ใช่ว่าตามใจตัวเองหลงัเองะไม่โคตรอย่างนั้นไม่ย้าความผิดตัวเองแต่เอาความผคนนั้นมาเป็นปูว่าไม่ทำอีกแต่ไม่ดุไม่หลังตัวเองนะเราแค่ขอเองวะแต่ไม่ทำผิดคนนั้นนะครับก็ต้องมีสติใหม่รู้เข้าใจิตที่มาเจะใปอดีตตัวเองหรือบางคนี้่ต้องตำนิตัวเองไม่โคตรกับื่นน เป็มองโทษตัวเองก็สิดเหมือนกันนะถ้าเราเป็นมองโทษตัวเองเนี่ยเราจะไม่เห็นเล้ว่าก็สอบสอบกูอยู่ที่ใจเราที่นี่มาถึงนั่นข้อดีถ้าเราไปททำไมาะว่าเราทำไมเขาทักแบบนั้นกับเราทำไมสางคมทำไมอะไรต่างๆเนี่ยไปทำไมเป็นโทษก็วเอนะแต่ถึเห็นใจเราเลยว่าที่จริงเราผข้อเราไปทำไกับตัวเองนะ แต่สอบตายจะหาไม่ไ hmm. ด uh ้ท huh. mm ี hmm. uh ่นอนก็ประทับแขยอยรับสติตรงนี s <S <Okay. S 1> ้ใช uh ่ม huh. well, we so ีใจจะทำไหมจะได้เอาไปใช้ต่อนะพวกเราบงไม่ใช่ปฏิบัติคํามแค่วันนี้เนาะจะทำทปกวันะทํานะเอาเป็นคระจำเหมือนอบรมไหนเร็จเข้าอบรมหเสรต่ออกตรงนี้ททุกวัน เหมือนพ่อเขาได้ไหมโรพยาบาลไทยโงพยาบาศตัวไทยพอเพาได้เสียให้เป็นเลือดดีคระก็คอบคลุที่มันเสียที่มันตกตะกบให้เป็นปีที่ดีปีที่จะอางปีที่ปีตรัสนะมีใครตอบใสลอะไรไหมอ่านไม่ไดแบบ ถ้าสงบก็แหสงบแบบรู้มันสงบอยู่บงีิมันไม่ิดไม่อะไรไม่เปลี่ตกจิตมันนิงๆอยู่ก็ให้จิตจะอีกจะรู้ว่าจริจิตมันสงบอยูราถ้ามันยังไม่ถ้ามนงอยู่ถ้านต่ไม่เปลี่อะไรก็ดูแบบนั้นแหละแต่้เ็ที่จริงอะไรเชื่อว่าคนในเมืองเราเี่ยิมันจะ็นนี่หา แราก็ะดิ้ที่นี่ข้อเท็จริงกา้ตอนที่เราจะลงร่องนะ้ะขอออกมามีสติกลับมามีสติกลับมาดูมาดูคลายของเราเนี่แหละแต่ถ้ามันยังสงบอยู่เราก็เห็นสติมันสงบอยู่ได้แต่ขณะที่เราเป็นสตินะมันจะไม่ลงร่องแต่มเห็นอยู่ว่าอ๋อเราพบในแบบนี้ที่เราดูสงบเป็นแบบนี้ แต่ที่อยู่ของข้อมูลนี่เองกอยู่ระบบข้มูลเรจะก่อจี่อะไรระวันมันนะไม่อยากก่อไมแอยากก่ออยากจยสบายก็มันคายไปเร่อยเสียได้แต่ถ้าเราดูนะถ้าเราดูมันเปลี่ยนไปจิดใจที่ยังเป็นปกติอยู่ไม่เสียดายไม่ตะวันเพราะว่าค่าประกนค่าของข้อมูลค่าระบบวิายก็มีค่าสระกันก็คือค่าที่ปติเลยนีหนะ นก็เราดูเราดูเราดูถ้าจิตมันสมองต้องมนเด็กขึ้นมาให้จิตมาดูเราก็ดูมาแต่ถ้ามันไม่เด็กขึ้นมาเราก็ดูถ่ายไปเรื่อยๆจะเป็นถ่ายที่มีขกอมือลมหายใจนะเราก็ดูไปคูอที่จิตมันจะเด็กจิตอ่กับเราที่ยงวันวันที่สมองมัเป็น เราเคยเห็นเทวะเป็นคามมืดสีขาวก็คือว่ามันมันเหนมือสมนสลายแต่มันไม่ใช่เกันนะเพอาะมทัทําให้เราไม่อยากเดินทางต่อแต่จะให้เราพักมันคล้ายเราเดินทางแล้วเดือดต้นไม้ให้เกิ ออกาก๊งบ้านนี้คุณก็ะหวดสิดตัวประปรกอบเจ็บตใจของเราน ะ, ายยาะา ท, นที่งหวดเว่ยยิ่งสะอาดเรื่อยๆเสียท่านกวาจะรู้สึกว่าที่บ้านนี้ก็ไม่ใช่ของเราที่นี้ก็ไม่ใช่ของเรานะมันเป็นเพ่ต้นอยู่เทงนะั้นะนะก็ไม่มีงานที่ต้องทาต่อไปอยน่นี้นะก็เอบอกพวกเราไนวะ้ใครใหม่ก็ต้องมาที่มีสิคอยรูเท่าทันายหู้เท่ า, นาสนใจ สุ e. ดจนห้ามติดมัายเป็นปัญญาปัญญาใทารู้เห็นความจริงต้องยงมีปัญญาแล้วองค์ประกอบทางจิตมั่นถือมั่นในกายและจิตมีได้เมื่อนั้นก็มีตัวเราเข้าไปจิตมั่นถมั่นในกายะใจมันจะทให้าตุที่เป็นความปกติหรือเป็นความโดยสุขหรือมีแต่ธาตุธาตุลกายก็มีน้ำลมไฟธาตุขใจก็ธาตุปาในทางรับรู้เห็นใจก็ขาดของเรา โงกา้มีอะไรบ้างายกยิก็หนึ่งระตรวจอบกับดึสอนร่วมันแบบเป็นกาข่างยิงตัวก็รูปแบบก็เหมือนกันนโทรศท์ปีนี้เราต้องใช้โทรศัพเ์ในการเป็นตัวแทนอาโอเคครับขอบสุณครับไม่จมากครับ สูมต e 8, ัวนี้นะครับเจ้าหที่จะนถาในถาแรกคือถ้าเกิด่าเราไม่ถามเราจะปั่นปางหรวาเราจ็บขวดทรมานนั่นคือการเจริญปิติก็่คือกอรารที่เราจะมีผมของไม่ทุกข์เป็นหนักข้าว่าเราหยุรู้เขาขำลมท่านเองอบนะรับทุกข์เป็นหนัับขึนมาจะมีวิธ การทำตันไม่สมัถึงาทำใเกิดวิสมีวิสายที่เราตักน้องลไม่ใช่มี่สัยที่ท้เราตัวมากขึ้นเรืออยู่ตะเวทก็อยากให้นักเรียนก็ได้มีตัวนี้ออกมแล้วก็พวกมหาวิทยาลัยมีน้อยลงน้อยลน้อยแล้วก็ไม่มีเหที่เกิด